ผู้ที่จะปฏิบัติในปัญญาที่สําคัญมากที่สุดก็คือการเห็นโทษของโมหะที่เป็นปฏิปักษ์เป็นข้าศึกต่อปัญญาที่เราเรียกว่าความไม่รู้ความหลงความงมงายความโง่เขลาการไม่รู้อดีตอนาคตปัจจุบันการไม่รู้อริยศาสตร์ทั้งหลายการไม่แทงตลอดปฏิจจสมุปบาทไม่รู้กรรมรู้ผลของกรรมรู้ดีรู้ชั่วไม่รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์แก่ตนไม่เป็นประโยชน์แก่ตนเป็นตน้นอันนั้นเรียกว่าโมหะ ที่เปรียบเหมือนกับความมืดขึ้นชื่อว่าความมืดยามที่อยู่ที่ใดขณะที่กําลังมืดมิดเนี่ยสถานที่แห่งนั้นถือว่าเป็นที่ที่น่ากลัวเพราะมองอะไรไม่เห็นฉันใดโมหะก็ฉันนั้นอยู่ด้วยความมืดความโง่ความเคล้าความไม่รู้โมหะทั้งหลายก็มีอาหารมีปัจจัยปัจจัยที่สําคัญของโมหะก็คือความริษยาเป็นต้น อันผู้ที่บำเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าจะต้องละเว้นเหตุแห่งโมหะทผนอะไรที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อโมหะก็ต้องภาคเพียรพยายามที่จะละเวเ้นเหตุเหล่านั้นออกไปไม่ว่าจะความริษยาความเฉื่อยชาความซบเซาความเกียจคร้านการยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะด้วยอำนาจบาปอากุศล ความเป็นผู้หลับง่ายเนี่ยนะหมายคว่าเวลาฟังธรรมหลับอ่ะนะเวลาอื่นตื่นหมดเลยอย่างเงี้ยนะและ้วเป็นคนที่ขาดความตั้งใจที่แน่วแน่ไม่สนใจในเรื่องของสติปัญญาแล้วก็สําคัญตัวแบบผิดผิดไม่รู้ก็สําคัญว่ารู้เป็นต้นการไม่สอบถามบัณฑิตไม่รู้จักสปายะบริหารร่างกายไม่ดีมีจิตใจที่ไม่ตั้งมั่นครบแต่คนไม่มีปัญญาห่างไกลคนที่มีปัญญา ชอบดูหมิ่นตัวเองว่าเราเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาแล้วก็อนุรักษ์นิยมด้วยเนี่ยนะหมายความว่ายินดีในความโง่รักษาความโง่ต่อไปหรือเห็นว่าโง่ก็ไม่เป็นไรเพราะนั้นเขบอกว่าทั้งโง่ก็ดีคนจะได้ไม่ใช้งานเป็นต้นเนี่ยนะผู้ น, นี้ก็สําคัญอะไรผิดผิดเข้าใจพลาดพลาดไปแล้วก็มักจะโยนิโสมนัสิการผิดผิดออขอยัยอโยนิโสมนัสิการใคร่ครวญอะไรเพื่อที่จะเสริมเพิ่มภูมมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือแต่วิปริตวิปลาสเข้าใจธรรมะคลาดเคลื่อนนะแล้วก็ถือตัวมากไม่สังเวทในฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวทจิตใจกลุ้มรุมอยู่ด้วยนิวร น, นิวรณ์ทั้งหลายก็ครอบงำทันไอเหตุของโมหะปัจจัยที่สําคัญของโมหะทําปัญญาที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดปัญญาที่เกิดเคยเกิดบ้างแล้วก็เสื่อมหายถอยลงไปนะ เพราะฉะนั้นจะต้องภาคเพียรเพื่อให้มีสุตตะมยาปัญญาจินตามายาปัญญาและภาวนามยาปัญญาจะต้องมีสุตะเนี่ยนะเป็นคนที่สะสมสุตะสังสมสุตะเป็นผู้ที่เรียนรู้มากเนี่ยนะโดยเฉพาะเรียนในวิปัสนาภูมิทั้งหลายภูมิแห่งปัญญาเนี่ยะเรียกว่าปัญญาภูมิที่ตั้งเป็นที่ประดิษฐานเป็นที่เจริญงอกเงยของ ปัญญาไม่ว่าจะเป็นขันอาญตนะธาตุอริยศาสตร์อินทรีย์ปฏิจจสมุบาทสติประธานสัมมาประธานอิธิบาทอินทรีย์พละโพชงองค์มาร์กหรือไม่ว่าจะเป็นกุศลอกุศลอัพยากตะธรรมะฝ่ายดำธรรมะฝ่ายขาววิบากแห่งธรรมดำธรรมขาวเป็นต้นหรือแม้กระทั่งวิชาในโลกนี้เนี่ยนะเป็นวิชาการที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมที่ไม่ขัดต่อจริยธรรมวิชาใดที่ไม่เป็นไปเพื่อล่วงอกุศลกรรมบด ก็ว่าวิชานั้นก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อปัญญาเหมือนกันแล้วก็เพราะว่าความรู้เหล่านั้นจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขให้ให้แก่สัตว์ทั้งหลายก็ต้องหมั่นสะสมสุตตามยะปัญญาซึ่งอาหารของสุตตามยะปัญญาในสมัยพระโพธิสัตว์เนี่ยนะมีพระพุทธศาสนาท่านก็อาหารแหล่งของสติปัญญาที่เรียกว่าไม่ผิดไม่พลาด ไม่มีการคลาดเคลื่อนดีโดยส่วนเดียวก็คือพระพุทธพจน์ทั้งหลายอัตถกถาดีกาทั้งหลายที่อธิบายพระพุทธพจน์มันก็ถือว่าเป็นแหล่งสติปัญญาพันถ้าหากว่าฝักใฝ่ายที่จะเรียนรู้เป็นพาหุสัจจะวิชาเหล่านี้นี่แหละที่จะเป็นเครื่องนําออกจากวัฏทุกข์เพราะว่าปัญญาในที่นี้เน้นปัญญาที่ช่วยเหลือตัวเองให้พ้นทุกข์ช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์เนี่ยนะช่วยเหลือตัวเองให้ประสบความสุขช่วยเหลือผู้อื่นให้ประสบถึงแต่ ความสุขมันก็เป็นปัญญาที่รอบรู้ในคำสอนถ้าอย่างสมัยใดมีคำสอนของพระพุทธเจ้าสมัยนั้นท่านก็จะภาคเพียรศึกษาคำสอนยุคใดที่ไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าก็สแสวงหาผู้ที่มีสติปัญญาเรียกว่ายอมจ่ายค่าศึกษาเล่าเรียนโดยไม่เสียดายเพราะเห็นว่าในโลกนี้สิ่งใดที่จะเสมอด้วยปัญญาไม่มีปัญญาเหมือนแก้วสารพัดนึกปัญญาเหมือนกับแสงสว่างเนยนะ ันผู้ที่มีปัญญาแล้วก็ไม่ตกอับในที่ทุกสถานโดยประการทั้งปวงแต่ถ้าคนสิ้นปัญญาเนี่ยเหตุการณ์เล็กน้อยก็มีแต่ปัญหาไม่รู้จบไม่รู้สิน้นน่านก็เป็นผู้ที่ฝักใฝ่เรียนรู้เห็นคุณเห็นประโยชน์ของปัญญาทั้งหลายก็มันสะสมปัญญาด้วยสติวิริยะการเรียนการฟังการทรงจำการสะสมการสอบถามจนตัวเองมีความรอบรู้อย่างเชี่ยวชาญ ขณะเดียวกันก็สงเคราห์อนุเคราะห์ผู้อื่นให้มีความรู้ให้มีสติปัญญาเหล่านั้นด้วยเพราะนั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขเนี่ยนะฉั้นของเราทั้งหลายถ้าฝักใฝ่ายที่จะดําเนินเดินตามรอยของพระพุทธศาสนาทั้งหลายตามพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็ต้องเดินตามคําสอนที่พระองค์สอนเอาไว้เนี่ยนะอันนี้ถือว่าเป็นอาหารของปัญญาเนี่ยนะถือว่าเป็นอาหารของปัญญามันอาหารของปัญญาเหล่านี้ เป็นไปเพื่อให้ประสบแต่ความสุขและความเจริญเนี่ยนะความสุขที่เกิดจากพิษภัยที่ไม่มีโทษความสุขที่เกิดจากไม่มีโทษที่เข้ามาสร้างความเสียหายความเจริญก็คือเจริญงอกงามในกุศลธรรมโดยส่วนเดียวเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นน้อมไปเพื่อเต็มเตี่ยมและบริบูรณ์ทีนี้เมื่อมีปัญญาอย่างนี้เนี่ยนะอาศัยการเรียนมากการฟังมากการทรงจามากสุตะเป็นอย่างดีนั้น ทำให้มีปัญญาที่เป็นปฏิพา์เกิดขึ้นที่จะทำให้สัตว์ทั้งหลายบรรลุถึงจุดหมายปลายทางที่สมควรทำพันรู้เลยว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยต้องการอะไรที่สุดของเขาอยู่ที่ไหนเมื่อรู้ที่สุดเนี่ยนะวิธีการที่จะทำให้ถึงที่สุดเหล่านั้นเนี่ยมีกี่วิธีการเนี่ยนะก็เหมือนกับว่ารู้แล้วว่าเขาปรารถนาจะลงทะเลเขาจะไปลงที่ท่าไหนได้บ้างฉันใด เมื่อรู้จุดมุ่งหมายแล้วก็น้อมไปฉันนั้นอยางรู้ว่าจุดมุ่งหมายของสาตว์ทั้งหลายเนี่ยสแสวงหาความสุขแต่เชื่อว่าวมีความเชื่อในความสุขที่แตกต่างกันเมื่อเชื่อในความสุขที่แตกต่างกันผลแห่งการปฏิบัติทั้งหลายก็แตกต่างกันไปเพราะสิ่งที่ตัวเองสำคัญว่าสุขเป็นเช่นใดก็พยายามภาพเพียนมุ่งเอาข้อปฏิบัติตามที่สมควรที่จะให้เข้าถึงความสุขเหล่านั้น ซึ่งที่สุดแห่งความสุขเหล่านั้นเนี่ยนะโดยมากสัตว์ทั้งหลายก็บอกว่าสุขสมมนัตอันใดที่อาศัยรูปเสียงกลิ่นรสโภทภะทั้งหลายนั่นแหละสุกแท้นั่นแหละสุกจริงพระโพธิสัตว์ทั้งหลายบอกว่านั่นไม่ใช่แท้นั่นไม่ใช่เป็นความจริงเพราะท่านเกเลยเป็นผู้ฉลาดในความเจริญเป็นผู้ฉลาดในความเสื่อมและมีอุบายที่ดีเยี่ยมเรียกว่ากุสโลบายเนี่ยนะ อายะโกศนอปายะโกศนและอุบายะโกศนรู ism, kee, ้อะไรว่าเป็นเหตุแ hmm. ห <Yeah. S 2> ่งความเจริญเหตุแห่งความเจริญนั้นเป็นอย่างไรอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมและเหตุแห่งความเสื่อมจะป้องกันได้อย่างไรแล้วก็อุบายะโกศนอุบายทํำยังไงที่บําบัดความเสื่อมออกไปเพิ่มพูนแต่ความเจริญแก้ปัญหาได้อย่างไรอย่างทะลุโปร่งโดยที่ไม่เสื่อมไม่สร้างปัญหาให้แก่ผู้ใดโดยประการทั้งปวง ซึ่งสัตว์ทั้งหลายที่ไม่รู้จักว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมและไม่มีอุบายไม่มีวิธีการพอที่จะแก้ปัญหาได้แก้ปัญหาได้เฉพาะหน้าแต่ไปพันข้างหน้านั่นนะเบื้องต้นเหมือนแก้ปัญหาแต่ต่อไปก็คือการสร้างปัญหาเนะนี่ยนะท่านเบื้องต้นเหมือนดีแต่ว่าท้ายที่สุดก็ไม่ดี พระโพธิสัตว์ทั้งหลายบำบัดสิ่งใดที่เป็นทุกข์เป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยออกไปแล้วก็สแสวงหาสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขก็คือเป็นผู้ที่ถือเอาแต่สาระอย่างเดียวสิ่งใดที่ไม่ใช่สาระไม่ใช่แก่นสารก็ทิ้งไปเพราะชีวิตของท่านในแต่ละภพชาติท่านสแสวงหาปัญญาสแสวงหาปัญญาสแสวงหาการเพิ่มพูนแห่งปัญญาเพราะที่สุดก็คือสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นชื่อของอะไรก็เป็นชื่อของปัญญานั่นเองปัญญาที่ตรัสรู้โดยชอบโดยถูกต้องโดยพระองค์เองปัญญาที่ช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากทุกข์พราะนั้นถ้าหากว่าผู้ที่ต้องการปัญญาโดยที่ไม่เพิ่มปัญญาปัญญาจะมีได้อย่างไรเพราะันก็มีการสั่งสมปัญญาอบรมปัญญาภาคเพียรในการเสาะแสวงหาปัญญาว่าอะไรที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มีสติปัญญาสิ่งเหล่านั้นจะอยู่ที่ไหนอย่างไรก็ตาม ก็เป็นผู้ที่มีความภาคเพียรฝักฝ่ายเรียนรู้ที่จะทําให้มีสติปัญญาเขาบอกว่าเป็นผู้ที่ไม่อิ่มในความรู้ประดุดน้ําทะเลที่ทะเลที่ไม่อิ่มด้วยน้ําจากแม่น้ําทุกสายฉันใดพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ที่สแสวงหาปัญญาฉะนั้นไม่เต็มไม่อิ่มไม่พอในเรื่องของความรู้เนี่ยนะเหมือนกับใยที่ไม่อิ่มด้วยเชือ้อใยเชื้อเพลิงสแสวงหาปัญญาเพิ่มพูนปัญญา ในโลกอันมืดมิดเนี่ยนะสมโลกที่มืดมิดแล้วเพิ่มพูนแสงสว่างคือปัญญาให้มันสว่างเท่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเนี่ยนะถาม่าจะต้องใช้เชื้อเพลิงขนาดไหนจึงจะสว่างขนาดนั้นได้ทั้นทุกอย่างจึงเป็นแหล่งเพิ่มพูนสติปัญญาอะไรที่จะเป็นปัจจัยสำคัญของปัญญาดังที่กล่าวแล้วว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะท่านท่านมีความสุขอย่างหนึ่งก็คือการได้พบ พระพุทธศาสนาเพราะเป็นแหล่งของปัญญาที่ไม่รู้ไปหาแหล่งไหนที่ที่ดีกว่านี้อีกแล้วที่เรียกว่าเป็นปัญญาที่ผ่านการวิจัยอย่างดีจากพระพุทธเจ้าเพราะเมื่อพบคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นเนี่ยศึกษาคําสอนอย่างไม่อิ่มไม่เบื่อไม่นายเนี่ยนะเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่กระหายในการศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเพราะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้สามารถเอาไปใช้ ปฏิบัติในชีวิตทั้งพบนี้และพบต่อต่อไปเนี่ยนะแล้วก็เป็นฐานอย่างดีที่จะเพิ่มพูนบารมีทั้ง1ิประการของท่านเพราะว่าอาศัยแนยวทางทิศทางคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านเนี่ยภาคเพียรที่จะบำเพ็ญบารมีทั้ง1ิประการคือพระโพธิสัตว์นั้นก็คือผู้ที่ปรารถนาจะตรัสรู้เช่นกับ พระพุทธเจ้าพันจะต้องศึกษาเรียนรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองจะตรัสรู้ต่อไปในอนาคตเนี่ยคืออะไรเนี่ยนะกันอาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยทำให้รู้ว่าเป้าหมายที่สุดสุดท้ายเนี่ยคืออะไรเมื่อรู้อย่างนั้นเข้าเนี่ยนะแล้วท่านจะปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงจุดมุ่งหมายเหล่านั้นได้อย่างไรเพราันอ่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายจึงเพลดิดเพลินในพระพุทธคุณเป็นต้นเพื่อให้รอบรู้ว่าเหตุแห่งความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คืออะไรคุณของพระพุทธเจ้าคืออะไรปฏิบัติเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นเช่นใดเมื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะต้องทํากิจอะไรบ้างเพราะนั้นสุตมยะปัญญาในการเรียนรู้ของท่านนั้นจึงเต็มที่และบริบูรณ์เพราะนั้นเมื่อความรู้ภาคเพียรอย่างเต็มที่ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยในคําสอนอย่างเต็มที่เรียกว่าอัธยาศัยในพระธรรมอย่างน้อยที่สุดมีอัธยาศัยใน กุศลกรรมบทสิบเพราะรู้ดีรู้ชั่วอยู่แล้วพันธุ์ท่านจึงทําทุกอย่างเพื่อที่จะปกปากรักษากุศลกรรมมาบทสิบทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้ได้ฌานเพื่อให้ได้สมถะและวิปัสสนาโดยที่ไม่อาลัยอาวรณ์เรื่องอื่นแค่เรืา่าไม่มีข้อแม้ไม่มีกติกายอมทุ่มเททุกอย่างแม้แต่ชีวิตก็สละได้เพื่อทานเพื่อศีลเพื่อสมถะและวิปัสสนาเนื่องจากเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็น สาระช่วยเหลือตัวเองให้พ้นทุกได้ช่วยเหลือสรรพสัตว์อันหาประมาณไม่ได้ให้พ้นไปจากทุกได้ก็เลยกลายเป็นผู้ฉลาดในความเจริญว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมแล้วมีอุบายมีวิธีการอย่างไรบ้างที่จะห่างจากความเสื่อมประสบพบปะเจอะเจอแต่ความเจริญอย่างเดียวเนี่ยนะมันจึงอาศัยเงี้ยอาศัยปฏิพัน์ ปฏิพันธ์เหล่านี้เกิดจากการสังสมสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดเองแต่เขาเรียกว่าอุปนิสัยอุปนิสัยก็คือร่องรอยแห่งความคิดที่ปลูกฝังมาในอดีตเป็นอย่างดีเนี่ยนะอดีตเนี่ยท่านตั้งอัตตสัมมาปณิทิไว้มากแล้วอย่างที่เรียกว่าบารมีสิบเนี่ยนะท่านสมาทานจนแผ่นดินไหวอ่างนั้นเลยมันแสดงว่าจิตใจของท่านเนี่ยมุ่งไปทางไหนเนี่ยมุ่งแบบไม่ใช่มุ่งธรรมดามุ่งจนแผ่นดินเนี่ยสะเทือนอย่างนั้นเลย เพราะความมุ่งมั่นด้วยเจตนารมณ์เหล่านั้นแรงกล้ามากพรานเมื่อเจตนารมณ์ในในกุศลธรรมแรงกล้ามีเป้าหมายเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างชัดเจนจึงรู้ว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญและมีอุบายอย่างไรที่ห่างออกจากความเสื่อมเพิ่มพูนแต่ความเจริญคเครียกว่าอายะโกศนอปายะโกศนและอุปายโกชนยังไง ที่เรียกว่าให้เป็นไปตามสมควรในปัญญานั้นนั้นเพราะเป็นผู้สแสวงหาแต่ประโยชน์พระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะก็บอกว่าโอ้บางคนเนี่ยอย่างสมัยใหม่เนี่ยเป็นถ้อยคาที่ใช้หมิ่นคนคนชั่วที่เขาบอกว่าแม้สแสวงหาแต่ผลประโยชน์แก่ตัวเขาบกงั้นแต่ทางธรรมะนีะ้ถ้ากล่าวให้ตรงแล้วให้ความสำคัญกับเรื่องผลประโยชน์มากประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและ ประโยชน์อย่างยิ่งผู้ใดที่ได้ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งท่านชมเชยว่าเป็นบัณฑิตท่านชมเชยว่าเป็นบัณฑิตไม่ใช่บอกโอ้โหไปมีเล่ามีอะไรที่ไหนเป็นคนที่สปอร์ตเลี้ยงเล่าเขาตลอดหมดตัวหมดไอ้ท่าอย่างงี้แค่ว่าเป็นคนที่ไม่ไม่สแสวงหาประโยชน์เป็นคนที่ไม่รู้จักผลประโยชน์แล้วก็อย่างอารหัตผลเนี่ยอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าประโยชน์ของตนประโยชน์ของตัวเองอย่างแท้จริงอ่า ผู้ที่เห็นประโยชน์ตนควรแล้วที่จะปฏิบัติด้วยความไม่ประมาทผู้ที่เล็งเห็นประโยชน์ของผู้อื่นควรแล้วที่จะปฏิบัติอยู่ด้วยความไม่ประมาทผู้ที่เล็งเห็นประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายควรแล้วที่จะปฏิบัติภาคเพียรอยู่ด้วยความไม่ประมาทเนี่ยนะพระก็เล็งเห็นแสวงหาแต่ประโยชน์แต่อย่าลืมว่าประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นเนี่ยนะประโยชน์ใกล้และประโยชน์ไกลประโยชน์ตื้นประโยชน์ลึกเป็นต้น จะต้องรอบรู้ในผลประโยชน์สแสวงหาประโยชน์ให้แก่สัพพะสัตว์ทั้งหลายว่าทำไฉนเนอสัตว์ทั้งหลายจะได้รับประโยชน์ที่แท้จริงโดยเฉพาะประมัทพประโยชน์ประโยชน์คือพระนิพพานที่กเกษมปลอดภัยจากชาติชรามรณะอันหนึง่งพระโพธิสัตว์คือผู้ที่ยังสัตว์ทั้งหลายให้ทนต่อการเพ่งหรืออีกในหนึ่งตัวท่านเองเนี่ยนะเป็นผู้ที่ผู้เด็กในหนึ่งเขาบอกเป็นนักคิดนะ่ย เรกว่าด้วยการวิตกถึงอาการแห่งสภาวะธรรมมีขันเป็นต้นพึงให้เกิดจินตามยาพัญญาก็คือเป็นนักคิดมากมายแต่ไม่ใช่คิดแบบคิดเรื่อยเปื่อยคิดมั่วไม่ใช่แต่คิดแบบมีหลักการเคย อ, อย่าลืมว่าท่านคิดแบบคนที่วิจัยเพื่อจะเห็นอริยสัจดูอย่างสุเมธบันฑดตเนี่ยเออขึ้นชื่อว่าความมืดมีอยู่แสงสว่างก็มีขึ้นชื่อว่าความร้อนมีอยู่ความเย็นก็ มีทารรดำมีอยู่ก็มีทำขาวเป็นเครื่องเปรียบถ้ามีทุกความดับทุกขก็ต้องมีสิความดับทุกก็ต้องมีสิมกกมสเมื่อมีชรา ม, มรณะธรรมที่ออกจากชราและมรณะก็ต้องมีเรียกว่าคิดแบบมีหลักการแล้วข้อปฏิบัติที่จะทำให้พ้นจากชรา ม, มรณะพบเห็นธรรมที่ดับชราและมรณะคืออะไรหนอคือเมื่อท่านมีหลักการที่ชัดเจนแล้วเนี่ยนะท่านจึงออกมาปฏิบัติเนี่ยนะ เรียว่ากําหนดทิศทางอยู่แล้วอย่างเช่นอย่างคําถาม ท, ที่พระโพธิสัตว์เนี่ยนะคืนที่ท่านวันที่ท่านออกบวชเนี่ยก่อนท่านออกบวชท่านไม่รู้อะไรเลยหรือชายหนุ่มที่มีแต่ความสุขส่วนเดียวคิดอะไรไม่เป็นเลยบอกตรงกันข้ามเห็นคนแก่ครั้งเดียวเลยนะท่านคิดได้ทั้งวันทั้งคืนนอนไม่หลับเลยเห็นปั๊บเนี่ยคิดเลยโอ้โหต้องแก่กันทั้งหมดอย่างนี้เลยหรือทุกคนต้องแก่เลยหรือมองเห็นโลกทั้งโลกแก่หมดเลยตอนหลังมาเห็นคนป่วยอกีกโอ้ยป่วย คนมันต้องป่วยอย่างนี้หรือแล้วใครมั่งไม่ป่วยท่านก็เห็นว่าคนทั้งโลกทั้งหมดเดินไปหาความป่วยกันทั้งนั้นเลยแล้วไปเห็นคนตายคนทั้งโลกตายอย่างนี้กันหมดเลยนะไม่ว่าเราไม่ว่าใครทั้งนั้นคนที่เรารักใครก็ตามเธอไม่ว่าพระนางพิมพ์พาหรือไม่ว่าพระเจ้าสุโธธนะพระราชบิดาเป็นต้นตายหมดไม่มีเหลือเมื่อเราก็ตายท่านเหล่านั้นก็จักตายทุกคนจะต้องตายทุกคนเนี่ยแก่เจ็บตายทุกคนแก่เจ็บตาย ออกทำไงดีเนาะทำไงดีก็มาคิดพอไปเห็นนักบวชเข้าก็เลยบอกว่านี่แหละคนเนี่ยดูสงบเหลือเกินน่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งต้องพบอะไรสักอย่างหนึ่งทำไมท่านมีความสุขมากท่านจะต้องเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งแนะ่ท่านจึงได้ความสุขเช่นนี้ท่านก็เลยตั้งโจทย์เวลาบวชบวชของท่านก็คือเราสแสวงหาสันติวรบทกระวัดดูก่อนท่านผู้สแสวงหาสันติวรบทก็คือผู้สแสวงหา บทอันสงบที่ไม่มีบทอื่นยิ่งกว่าเรียกว่าพระนิพพานแล้วก็ถามว่าอะไรคือกุศลอะไรคือกุศลอะไรคือกุศลอะไรคือสันติวรบทคือชีวิตเนี่ยรู้แล้วว่าจมอยู่ด้วยชาติชาราและมรณะแล้วท่านเนี่ยมองเห็นอามนุษย์ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยนะเนผีสางเทวดาเนี่ยเป็นเรื่องปกติของท่านอยู่แล้วซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องวิจิตพิสดารอะไรแปลกประหลาดอะไรสาหรับท่าน ในเรื่องการเห็นเทวดาเรื่องรู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วรู้กรรมผลของกรรมเนี่ยแม่นยําอยู่แล้วโดยที่ไม่ผิดไม่พลาดนี่ก็มาคิดว่าเอ๊แล้วทำที่สงบทุกเนี่ยมีอยู่แน่ข้อปฏิบัติที่จะทําให้สงบทุกเนี่ยมีอยู่แน่แล้วสมัยนั้นเนี่ยใครเก่งที่สุดนะนะใครเก่งที่สุดแหล่งของปัญญาแหล่งของนักปราศอยู่ที่ไหนอันพระองค์ก็เลยสแสวงหามาที่เมืองราชครึก เมืองราชครึกดินแดนราชครึกรัฐพิหารในสมัยนั้นถือว่าแหล่งของนักปราชญาแหล่งของผู้มีปัญญาเนี่ยนะแหล่งของผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายทั้นก็เลยเรียกว่าดิ่งตรงมาทางเมืองราชครึกมามาสแสวงหาว่ามีใครรู้จริงมั้งสวคนที่สูงที่สุดหรือว่าสุดยอดของคนยุคนั้นมีอยู่สองท่านก็คืออ า, าลาระดาบทกับอุทกดาบทในความสา ม, มารถพิเศษ หลายแห่งก็ไม่ได้ชื่นชมว่าท่านเหาะได้อะไรได้แต่โดยคุณสมบัติของลอาระดาบทนเหาะได้นั่นะนะเพราะมียสมาบัตแ8ดเนี่ยนะมียสมาบัตแ8รองรับอภินยาได้พันอิทธิฤทธิ์ทั้งหลายเนี่ยท่านทำได้แต่ว่าไม่ได้กล่าวเอาไว้พันก็ถือว่าสุดยอดของสมัยนั้นที่เขาเชื่อกันเลยว่าเป็นผู้สูงสุดแล้วลาระดาบทุตกระดาบทก็ยืนยันว่าตนนี้เป็นผู้ที่ สูงสุดถึงพระนิพานถึงแดนที่สงบพระองค์ก็ไปเรียนเรียนอยู่ไม่กี่วันแล้วก็ปฏิบัติตามก็ทำได้ทั้งหมดบอกไม่ใช่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่เนี่ยก็เนื่องจากมีหลักการที่ชัดเจนทั้นถ้าไม่มีหลักการชัดเจนตั้งแต่แรกใครที่ได้ปฐมฌานบางพวกบอกนี่แหละนิพาน บางผูกทุติยะฌานว่านิพานคืออะไรสงบนิ่งเลยนะนั่นแหละใช่เลยบางทีเนี่ยแค่นิ่งแบบไม่ได้คิดเรื่องอะไรก็เลยนึกว่า น, นิพานก็มีบางคนนิ่งแบบมีกรรมาฐานบางคนนิ่งแบบปฐมฌานทุติยะฌานเป็นต้นซึ่งไม่ใช่พระนิพานแต่สําคัญว่าเป็นพระนิพานซึ่งไม่ใช่พราผู้ที่สั่งสมปัญญามาอย่างเพียงพอแยกแยะอะไรไม่เป็นเนี่ยนะโดยเฉพาะวิจัยที่จะให้เห็นอริยสัจอาศัยความนิ่งแล้วเห็นอริยสัจนี่เห็นได้อย่างไร เป็นต้นนั้นถ้าไม่ไม่มีการใคร่ควรวนไม่มีการเพ่งไม่มีการศึกษาเรียนรู้ในขันทาศยตนะสัจจะอินทร์ปฏิจจสมุป บ, บาทอย่างเพียงพอเนี่ยมันหลงไปหมดเลยมันงมงายไม่ออกคิดจะไปยังไงมายังไงไปยังไงไม่รู้แม้แต่อย่างเดียวเลยเนี่ยนะ